วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพรารคมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่จุดประสงค์อยู่เพียงจุดประสงค์เดียวท่านั้นคือการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของผู้ที่ปฏิบัติ นี่คือเป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ได้มีวัตุวัตถุประสงค์อย่างอื่นบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเจริญจะเจริญก้าวหน้า ทางาบยศสารเสนสุดอันนี้เป็นความเข้าใจผิดขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะผิดหวังก็ได้ทําบุญทําทานแล้วไม่ถูกลอตตอรี่ไม่ร่าไม่รวยไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ ของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรน้ําในมหาสมุทรนี้มีมากมายแต่มีรสเพียงรสเดียวเท่านั้นคือรสของความเข็มฉันใดพระธรรมพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะมีมากมายแต่ก็มีวัตถุประสงค์เพียงวัตถุเดียวทนั้นเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถ ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถึงแม้จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับถึงของโลกเป็นพระมหาจากักรพรรดิเป็นพระมหาราชาเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรต่างๆเป็นมหาเศรษฐีการเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจ ให้ถูกต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนั้นก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ลถอย่างอื่นลถของการเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศษรษฐีลถของการเป็นพระมาหาจากักรพรรดิ รสของการได้รับรางวัลเกียนตียศต่างๆหรือรสของความสุขทางตาหูจมูกนินกายนี้ไม่เป็นรสที่ประเสริฐเหนือกว่ารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงดังนั้นผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติจึงต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ร่ำให้รวยเพื่อให้เป็นใหญ่เป็นโต เพื่อให้รับรางวัลต่างๆเพื่อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเพื่อไม่ให้เราแก่ไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เราตายเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของธรรมะที่จะทำเพราะว่ามันทำไม่ได้เรื่องของสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยต่างๆถ้าเหตุพร้อมปัจจัยพร้อม ผลมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถึงแม้มันจะเกิดแล้วมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเมื่อได้แล้วก็จะต้องมีวันที่จะต้องเสียไปมีการจะราบยศสารสนุขแล้วก็จะต้องมีวันที่มันจะเสื่อม เสือมลาบเสือมยศเสื่อมสรรเสริญเสื่อมความสุขสรรเสริญก็กลายเป็นทุกข์กลายเป็นนินทาไปสุขก็กลายเป็นความทุกข์ไปได้เพราะนี่เป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติลาบยศสรรเสริญสุขนี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ไม่เกี่ยวกับการศึกษาการปฏิบัติ ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. เกี่ยวก็ต้องที่ว่าจะได้เรียนรู้ว่าการเจริญในราบยศสรเสรสุขนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การดับความทุกข์อย่าไปหลงหาราบยศสรเสรสุขเพื่อมาดับความทุกข์ทางใจเลยถ้าดับได้ก็เป็นดับเป็นครั้งเป็นคราวเป็นของชั่วคราว แต่มันไม่สามารถที่จะดับได้อย่างถาวรเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เป็นพระมหาจั ก, กรพรก็ยังมีความทุกข์ใจอย่เป็นอะไรก็ตามหนีพ้นความหนีพ้นจากความทุกข์ใจไปไม่ได้นี่แหละเป็นเหตุให้ที่ทําไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงต้องออกบวชถึงแม้ว่าจะมี โหราจาร์ได้ทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะในขณะที่เป็นทารกเกิดมาได้ไม่กี่วันพระราชนิดาก็เรียกโหราจาร์ต่างๆมาดูดวงของเจ้าชายสิทธัตถะว่าอนาคตจะเป็นอะไรโหราจาร์ส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นว่าเป็นไปได้สองทาง ถ้าอยู่ครองราดก็จะเป็นมหาจากักรพรรดิอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระศ า, ศาสดาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีโหราจางอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นที่มีความเห็นต่างที่ได้พยากรณ์และได้ทํานายว่า เจ้าชายสิทธัตถานี้จะต้องออกบวชเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละทาไมจึงทำให้เรามีพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะเจ้าชายสิทธัตถานั้นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านสามารถเห็นกองทุกข์แห่งการเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขได้เห็นว่าการเจริญของลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นของชั่วคราว เป็นของไม่แน่นอนมีวันเจริญได้ต้องมีวันเสื่อมได้ไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีมแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไไปไม่ได้ร่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ได้ หลุดพ้นจากความเสื่อมของลาภยติรเสริญจสุขหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยการไปแสวงหารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงมีปรากฏขึ้นมาเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถานี้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ได้บำเพ็ญบารณีมาอย่างโชคโชน ได้เคยบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญเมตตาบารมีบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญเนฆามบารมีบำเพ็ญอุเบกขาบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีบำเพ็ญอธิษฐานบารมีบำเพ็ญสัจจะบารมีบำเพ็ญวิริยะบารมี และบำเพ็ญคันติบารมีมาอย่างโชคโชยจึงทำให้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะไปบรรลุลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งปวงได้มีศักยภาพพร้อมเต็มที่พอถึงเวลาท่านก็เลยออกบวชและหลังจากที่บำเพ็ญอยู่หกปี ก็ได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้ไดลดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้บรรลุเป็นพระอรหันตะสมมาสมพุทธเจ้าผู้ที่จะมาโปรดสัตว์โลกผู้ที่จะมาช่วยสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นภายในใจ ของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสัูและได้ประกาศพระธรรมคำสั่งคาสอนให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเป็นจำนวนมากปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ร่าให้รวยเพื่อให้เป็นใหญ่เป็นโตท่านศึกษาท่านปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์การที่จะหลุดความพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องบรรลุเป็นพระอารหรันต์เท่านั้นเป็นบรลุเป็นอริยบุคคลขั้นสูงสุด อาิยาบุคคลนี้มีสี่ระดับด้วยกันเป็นระดับของการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเป็นส่วนๆไปขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันนีก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปในหนึ่งในสี่ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปในสองในสี่ขั้นที่สามพระนาคามี ก็หลุดพ้นจากความทุกไปในสามในสี่มีขั้นพาาาระอรหันต์ที่จะหลุดพ้นจากความทุกได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนก็ตามเมื่อลองได้เข้าสู่ขั้นของพระอาริยบุคคลแล้วนี้จะสามารถก้าวขึ้นไปได้อย่างอัตโนมัติจนถึงขั้นสูงสุดได้โดย ใช้เวลาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่ส่วนใหญ่นี้พอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองที่สามที่สี่ได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะหลุดพ้นภายในภพนี้ชาตินี้ได้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนในสติปัฏฐานสูตรว่าถ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักของสติปัฏฐานสูตรนี้จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ภายในเจ็ดวันก็มีหรือภายในเจ็ดเดือนก็มีหรือภายในเจ็ดปีก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติอย่างเขร่งครัดคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สามารถที่จะบรรลุได้ช้าเร็วนี้ก็อยู่ที่บุญบารมีเก่าบารมีทั้งสิบที่ได้สะสมมานี้ว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากก็จะบรรลุได้ง่ายได้เร็วถ้ามีน้อยก็จะบรรลุได้ช้าได้ยากผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ ก็เลยถูกแบ่งไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันพวกที่หนึ่งก็คือพวกที่มีบุญบารมีมากนี้จะปฏิบัติได้ง่ายและบรรลุได้เร็วเช่นบรรดานักบวชที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดในระยะแรกๆนี้ทรงไปโปรดพระปัญจวคัคคีและโปรดนักบวชในสำนักอื่นท่านเหล่านี้ เพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุ ข, ขั้นพระอาหารหันต์ได้ทันทีเลยอันนี้คือพวกนี้เป็นพวกที่ได้สะสมบา ร, รมีมาอย่างโชคโชนเท่าเท่ากับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะขาแต่เพียงบา ร, รมีอันเดียวที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก็คือปัญญาบา ร, รมีเลยต้องอาศัยปัญญาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้เป็นเครื่องนำทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตวงนี้เป็นประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นพวกบัวเหนือน้ำบัวเหนือน้าเป็นพวกที่รอให้แสงสว่างแข็งของดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาในยามเช้าตอนพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาบัวที่อยู่เหนือน้าแล้วก็จะบานสะพรั่งขึ้นมาทันที ฉันใดก็คือจิตใจของผู้ที่ได้สะ ส, ส, ะสมบุญบา ร, รมีมาเกือบครบหมดแล้วขาดเพียงอันสุดท้ายที่ยังไม่เต็มร้อยก็คือปัญญาบา ร, รมีพอได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้ามาเท่านั้นเองก็ทำให้ใจของท่านเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้โดยที่ไม่ต้องอปฏิบัติ อย่างพวกที่ยังไม่มีบุญบารมีมาเพียงแต่ฟังธรรมเท่านั้นเองใจก็หลุดพ้นได้ทันทีทันใดพวกนี้เรียกว่าเป็น พ, พวกนักปฏิบัติประเภทที่หนึ่งเรียกว่าปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้เร็วเพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวทรงสแสดงอรยัสอริยศาสตร์สีให้ฟังเท่านั้นเอง ก็บรรลุได้ทันทีเลยนี่คือพวกที่หนึ่งพวกที่สองก็เป็นพวกที่รู้เร็วแต่ปฏิบัติยากพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกที่มีปัญญามากกว่ามีอุเบกขานั่นเองพวกที่ยังไม่มีอุเบกขานี้จะปฏิบัติยากเพราะจะต้องหมั่นเจริญสติหมั่นนั่งสมาธิให้มากๆ จนการจิตจะรวมเป็นสมาธิได้อุเบกขาขึ้นมาได้อุเบกขาบารมีขึ้นมาตรงนี้เป็นพวกที่สองคือปฏิบัติยากแต่จะรู้เร็วพอได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วพอพิจารณาทางปัญญาพิจารณาอริยสัจสีพิจ า, ารณาใจาลักษณ์นี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้ทันที นี่คือเป็นพวกที่สองพวกที่สคือเป็นพวกที่ปฏิบัติยากและแต่รู้เร็วเดี๋ยวขออภัยเมื่อทีประเภทที่สองนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติปฏิบัติง่ายแต่รู้ชา้า อ, อันนี้ต้องขอแก้ไขปฏิบัติง่ายเพราะว่ามีอุเบกขาแล้วแต่ปัญญาพิจารณาไม่ค่อยฉลาดพิจารณาไม่ค่อยเป็น มองไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เข้าใจอริยสัจสี่ไม่เข้าใจกายลักษณอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องใช้เวลาศึกษาใช้เวลาพิจารณาอยู่หลายรอบถึงจะเข้าใจถึงจะเข้าใจหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไรตัวนี้เพื่อเพศที่สองคือปฏิบัติง่ายแต่รู้ชา้า ประเภทที่สามนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วหรือพวกนี้มีความฉลาดทางด้านปัญญาแต่ขาดอุเบกขาขาดสมาธิต้องใช้เวลาบำเพ็ญเจริญสตินั่งสมาธิเป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะได้อุเบกขากว่าจิตจะรวมลงได้แต่พอจิตรวมลงได้แล้วพอออกทางปัญญาพิจารณา อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอริยสัจว์่ก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเลยนี้ประเภทที่สามคือประเภทที่ปฏิบัติยากขั้นสมาธินี้เป็นขั้นที่ยากต้องทรมานด้วยวิธีการต่างๆเพื่อกำจัดนิวรณ์ที่มาคอยรุมเร้ามาขัดขวางการจะทำให้จิตสงบให้มีอุเบกขาขึ้นมา พวกนี้เป็นพวกที่สามปฏิบัติยากแต่พอได้อุเบกขาแล้วนี้มีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมสามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสีได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วยังเป็นพวกที่ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วส่วนประเภทที่สี่นี้เป็นพวกที่ปฏิบัติยากและรู้ช้าพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ สะสมบุญบารมีมาไม่มากอุกเบกขาก็ยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่ฉลาดต้องใช้เวลาปฏิบัติจเจริญอุเบกขาจเจริญสติให้ได้อุเบกขาด้วยความลําบากยากเย็นเพราะการจะเอาทําจิตให้สงบในแต่ละครั้งนี่มันต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายบางทีต้องใช้วิธีการทรมานต่างๆเช่นในสัตว์ชิกต้องถือสาวิริยาบท หรืออดอาหารเป็นวันๆหรือโดนจงกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกทรมานทางร่างกายเพื่อที่จะทำให้ใจนิ่งสงบให้เข้าสู่สมาธิให้ได้เรียกว่าปฏิบัติยากเพราะอาดีตชาติไม่ได้สะสมอุเบกขามาก่อนไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนพอมาทำก็เลยทำให้รู้สึกว่าปฏิบัติยากแล้วก็พอได้สมาธิแล้วก็ ไม่ค่อยฉลาดทางปัญญาพิจารณาไตรลักษพิจารณาอาริยสัจ ส, สีไม่เป็นไม่รู้ว่าพิจารณาอย่างไรไม่รู้ว่าอนิจจังเป็นอยอ่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรทุกขังเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าทุกขังเกิดจากปัญหาความอยากเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้ทุกขังดับไปนี้ด้วยปัญญานี้ทำอย่างไร พวกนี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาทางปัญญายังเป็นประเภทที่สี่โดยเป็นพวกที่ปฏิบัติยากและรู้ชา้าเนี hmm. ่ยเราจึงมีผู้ที่บรรลุธรรมในลักษณะต่างๆกันซึ่งเราไม่ควรที่จะไปมองเขาแล้ว เ, เลือกว่าเราจะเอาแบบนั้นแบบนี้เพราะว่ามันของเป็นอย่างนี้มันเลือกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีเก่าที่เราได้สะสมมา อย่างที่มีคำโบราณที่พูดไว้ว่าแข่งรดแข่งเรือนี่พอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบา ร, รมีนี้แข่งไม่ได้ต้องสร้างกันขึ้นมาเองถ้าขาดบา ร, รมีอางไหนก็ต้องสร้างบา ร, รมีนั้นให้ขึ้นให้มันโผล่ขึ้นมาดังนั้นการบรรลุธรรมจึงมีลักษณะต่างๆกันมีคนที่รู้เร็วรู้เร็วบรรลุปฏิบัติง่าย รู้เร็วปฏิบัติยากรู้ช้าปฏิบัติง่ายแล้วรู้รู้ชาปฏิบัติยากมีสี่ลักษณะด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรว่าจะบรรลุเมื่อไหร่เนเพราะว่าเมื่อบรรลุแล้วผลที่ได้รับเหมือนกันพระพุทธเจ้าบรรลุก่อนแล้วพระสาวกบาบรรลุทีหลังนิพพานที่ได้รับก็เป็นนิพพานอันเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็ได้นิพพานพระอรห eh. ันตสาวกทั้งหลายก็ได้นิพพานเหมือนกันคือได้การยุติการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเท่ากันไม่มีความต่างกันตรงไห น, นระหว่างพระพุทธเจ้ากับระหว่างพระอนหันตสาวกนี้ทางด้านจิตใจคือพระนิพพานนี้การสิ้นสุดของความทุกข์การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เท่ากันเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ความสามารถที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นอันนี้มีความต่างกันเรื่องของการสั่งสอนธรรมะนี้ต้องใช้ปัญญาบา ร, รมีซึ่งไม่มีใครจะมีปัญญาบาลาีเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสามารถสั่งสอนให้ผู้อื่นบรรลุธรรมได้ง่ายได้เร็วกว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลาย เพราะท่านสามารถรู้จิตใจรู้วาระจิตของผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้ว่าขาดธรรมะชนิดไหนส่วนใดท่านก็จะให้ธรรมะชนิดนั้นส่วนนั้นไปเพื่อให้เพื่อิมให้เต็มครบร้อยนั่นเองเพอเขาได้ธรรมะที่เขาขาดไปเขาก็สามารถปรรลุได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วในยุคที่มีพระพุทธเจ้านี่มีคนที่สนใจไปศึกษาไปถามคาถาม บางทีเพียงแต่ถามคําถามพอได้คําตอบมาก็สามารถบรรลุได้เลยแต่ถ้าไปถามพระอรหันต์บางรูปท่านอาจจะไม่ได้ให้คาตอบที่ตรงกับที่เขาต้องการก็ได้อันนี้คือเรื่องของความสามารถในในการเผยแผ่สั่งสอนบารมีของพระพุทธเจ้านี้มีมากกว่าพระอาหารหันตสาวตทั้งหลายได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้มีโอกาสที่จะบรรลุได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่า ได้ศึกษาจากพระอรหันต์บางรูปพระอรหันต์แต่ละรูปท่านก็มีความสามารถแตกต่างกันบางรูปบางรูปท่านก็สามารถสั่งสอนมีลูกศิลป์ลูกหามากบางท่านก็ไม่มีลูกศิลป์ลูกหาหรือมีน้อยเพราะความสามารถในการเอาธรรมะมาแสดงให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจนี้มีความแตกต่างกันนั่นเอง ผู้ใดที่สามารถนำเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายนี้จะมีลูกศิลป์ลูกหามากผู้ที่สั่งสอนแล้วเข้าใจได้ยากนี้ก็จะมีลูกศิลิ์น้อยบางท่านก็อาจจะไม่สั่งสอนเลยก็ได้บางท่านก็เพียงแต่สอนแบบสั้นๆทานศีลภาวนาทำทานรักษาศีลภาวนาไปแต่ท่านจะไม่ขยายความว่าทาทานอย่างไหนทาเมื่อไหร่ ทำเวลาไหนรักษาศีลกี่ข้อภาวนากี่ชั่วโมงอะไรเหล่านี้ท่านก็อาจจะไม่เอ า, เอามาเผยแผ่สั่งสอนก็จะทําให้ผู้ปฏิบัตินี้จะต้องคิดค้นขึ้นมาเองว่าทําทานขนาดไหนถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์รักษาศีลขนาดไหนถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ภาวนาขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการภาวนาที่สมบูรณ์ อันนี้ก็เรื่องของความสามารถนี้ผ้าหลันแต่ละรูปนี้มีความสามารถต่างกัน mm. พระพุทธเจ้าต่างกันต่างจากพระพุทธเจ้า mm. ความสามารถนี้ไม่มีใครจะมีมากเท่ากับพระพุทธเจ้าภาษาวกบางรูปอาจจะบรรลุปเป็นผ้า ห, าหาันแต่อาจจะไม่มีอภินยา mm. อาจจะไม่มีความสามารถพิเศษ mm. เช่นระลึกชาติได้ mm. ติดต่อกับกายทิพย์ได้หรื อ, อ หรืออ่านวาราจิตของผู้อื่นได้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี้ท่านมีทุกอย่างเลยท่านรู้ทุกอย่างท่านมีปัญญาที่จะสามารถเผยสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ฟังได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้วท่านก็มีอภิญญาท่านสามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้สามารถสั่งสอนพวกเทวดาได้อีกด้วย ภาสาวกบางรูปก็ทำได้บางอย่างแต่ไม่ได้ครบทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างภาษารีบุตรนี่พระพุทธเจ้าทรงตั้งให้เป็นพระอักรละสาวกขวาคือเป็นผู้ที่เก่งที่สุดในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเก่งทางด้านปัญญาท่านมีความเก่งกาจในด้านการแสดงธรรมองจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเองนอกนอกจากนั้นแล้วท่าน จะเก่งกว่าพระอาหารหันต์รูปอื่นทั้งหมดสามารถทรงสแสดงธรรมที่ทำให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพระพุทธเจ้าจึงตั้งภาษาริบุตรให้เป็นอักขสาวกขวาของพระองค์จนอักขะสาวกซ้ายก็คือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนี้ไม่เก่งทางปัญญาแต่ท่านเก่งทางอิทธิฤทธิปาฏิหารท่านมีอภิญญา ท่านสามารถที่จะแสดงฤทธิต์ต่างๆให้ผูด้ได้เห็นได้ประทับใจเป็นเครื่องดึงดูดให้เขาเกิดมีความศรัทธาที่อยากจะศึกษาอยากปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่การมีทิลิ์มีปาฏิหาริย์นี้ไม่ถือว่าเก่งเท่ากับการมีปัญญาในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะสู้การมีปัญญาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะไม่ได้ พระพุทธเจ้าเลยตั้งผู้ที่มีความสามารถทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหารนี้เป็นอัครสาวกสายในบรรดาสาวกทั้งปวงนี้ไม่มีใครจะมีอิทธิฤทธิความสามารถทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหารเท่ากับพระโมคคัลลานะยังถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่รองจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้มีทั้งอิทธิฤทธิปาฏิหาร มีทั้งปัญญาอันแหลมคมที่จะแสดงธรรมให้แก่ผู้ฟังได้ฟังและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายนี่คือความแตกต่างของความสามารถพิเศษแต่ความเหมือนกันก็คือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงจิตใจที่ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจ เป็นจิตใจที่ไม่ไปเกิดอีกต่อไปแล้วอันนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกรูปใดก็ตามแม้กระทั่งพระสาวกในยุคปัจจุบันนี้เราก็ยังมีผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นในยุคสมัยนี้ที่เรารู้จัก ก, ากันก็ก็พวกพระที่ปฏิบัติในสายของหลวงปู่มั่นนี่ ตั้งแต่พระอาจารย์มั่นขึ้นมานี้ท่านก็เป็นผู้ที่บรรลุปเป็นพ ร, ระลานก็ดูของท่านกายเป็นพระธาตุหลังจากที่ท่านตายไปแล้วกระดูกที่เขาเก็บเอาไวน้นี้กายเป็นพระธาตุมีการบรรจุกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้ไปดูเป็นสัก ข, ขีพยานว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นโมฆะถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไปแล้วถึง 2,500 กว่าปีก็ตาม ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ยังเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสามารถทําให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้หลุดพ้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้เหมือนกับในยุคสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าธรรมนี้เป็นอาการวิโก้ทำคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลา ไม่เหมือนกับสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ย่อมมีการเสื่อมไปตามการตามเวลาแต่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจา้านี้ไม่มีวันเสื่อมตราบใดถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมะแล้วตามนั้นย่อมมีผู้ที่จะได้บรรลุได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนนี่คือความหมายของอากาลิโกธรรมะเป็นอากาลิโก เป็นธรรมที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นธรรมเสื่อมทางคุณภาพทางประสิทธภาพหมายถึงว่าผู้ที่เอาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากผู้ที่เอาธรรมะอันเดียวกันนี้มาศึกษามาปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้เหมือนกัน อย่างที่ได้ยกตัวอย่างคือหลวงปู่มั่นท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วลูกศิษย์ลูกหาพระที่ไปศึกษาปฏิบัติกับท่านท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจํานวนมากอย่างที่เราคงได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์รูปต่างๆที่ท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้วอัฐีของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมามีการสร้างเจดีย์บรรจุไว้เป็นที่ระลึกไว้เก็บไว้เป็นที่ศ ก, การะต่อไป เป็นเป็นเครื่องยืนยันว่ า, าศาสนาพุทธนี้ไม่ใช่เป็นสัตวนาที่โมฆะไม่ได้หมดไปกับพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากไปแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้จากพวกเธอไปาศาสดายังไม่ยังไม่ได้จากพวกเธอไปสิ่งที่จากไปก็เป็นเพียงศรีและร่างกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่องค์สำคัญของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนนี้ยังอยู่คู่กับโลกต่อไป ตราบใดที่ผู้ใดสามารถศึกษาและปฏิบัติผู้นั้นก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเข้าถึงได้ดังที่ทรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมนี่นี่คือเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันขอให้เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราศึกษาและปฏิบัตินี้เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้หวังผลอย่างอื่นผลอย่างอื่นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญเพราะผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของที่มีความน้ำข้ากว่า ผลอย่างอื่นที่อาจจะตามมาก็ได้อย่างเช่นครูบาจารย์หลังจากที่ท่านบรรลุธรรมบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็มีศรัทธาญาติโยมไปทำบุญกับท่านถวายเงินถวายทองเป็นพันล้านหมื่นล้านก็มีอย่างหลวงตามหาบัว ม, มีคนไปถวายเงินถวายทองคํากันเป็นจํานวนมากอันนี้ก็เป็นการเจริญในลาบได้เหมือนกัน แต่มันเป็นผลที่ตามมาจากการที่ท่านได้บรรลุเป็นพระแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้มีความยินดีกับการเจริญในลาบได้เงินได้ทองมามากน้อยเพียงไรก็มอบให้กับครังหลวงไปมอบให้กับประเทศชาติไปเพราะว่าเงินทองเหล่านี้มันไม่มีความสามารถที่จะดับความทุกข์ได้เหมือนกับธรรมะคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านถึงไม่มีความยินดีในลาบยศสารเสริญสุขถึงแม้จะได้รับมาท่านก็รับไว้เพื่อเป็นเพื่อไม่ให้เสียมารยาทมีผู้มีศรัทธาอยากจะทำบุญถวายข้าวของเงินทองก็รับไว้มีพระเจ้าแผ่นดินอยากจะถวายสมมณสักข์ท่านก็รับไว้แต่ของเหล่านี้มันเมื่อเปรียบเทียบกับธรรมะที่ท่านได้ได้รับจากการปฏิบัตินี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ท่านเลไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นดีอกดีใจแต่อย่างใดแต่เมื่อยังอยู่กับโลกอยู่ก็ต้องมีการมีการสัมผัสรับรู้กับเรื่องราบยศทลเสญสุขไปแต่ใจของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี้จะไม่มีความหลงยึดติดกับราบยศทรเสญสุขแต่อย่างใดเพียงแต่สัมผัสรับรู้กันท่านเปรียบเทียบเหมือนกับหยดน้าบนใบบัว ใบบัวนี้เป็นเหมือนกับจิตใจของพระอรหันต์หยดน้ํานี้เป็นเหมือนกับราบยศสารเสริญสุขเวลาจิตใจของท่านสัมผัสกับราบยศสารเสริญสุขนี้จิตใจของท่านก็จะเป็นเหมือนใบบัวหยดน้ําก็ไม่สามารถซึมเข้าไปในใบบัวได้แต่ถ้าเป็นพระถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นปุถุชนอย่างพวกเราพวกท่านนี้ใจของเรานี้มันไม่ได้เป็นใบบัวมันเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึม พอได้สัมผัสกับราบยสสศสรรเสิญสูงนี่มันจะดูดกันกินเงินเข้าไปเป็นเนื้ออันเดียวกันเลย mm hmm. พอได้ราบมาทีนี้โอ้ดีอกดีใจ mm hmm. ได้ยศได้ตําแหน่งขึ้นมาดีอกดีใจอันนี้แหละเรียกว่าดูดซึมงินเข้าไปในใจเลยแต่ใจของพระอรหันต์นี้ไม่เป็นอย่างนั้นใจของพระอรหันต์นี้จะรู้สึกเฉย แต่ยังอยู่ในโลกนี้ก็หนีไม่พ้นก็ต้องจำก็รับรู้ไว้เฉยๆนะรับรู้ว่าตอนนี้มีคนบริจาคเงินเท่านั้นเท่า น, นี้รับรู้ว่าได้ตำแหน่งได้ยศขั้นนั้นขั้นนี้เขาจะให้อะไรมาก็รับไปใ ค, ใครจะให้รางวัลให้ให้เกียรติยศอะไรต่างๆก็รับรู้ไว้เฉยๆ น, นั่นเองแต่ไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับมันเรารู้ว่ามันเป็นของของของที่เสื่อมได้ มีเจริญก็มีเสื่อมได้ถ้าไปยินดีกับมันเวลามันเสื่อมจะเสียใจจะทุกข์ใจแต่ใจของท่านนี้มันไม่มีความทุกข์ไม่มีเพราะมันรู้ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความหลงหลงในลาบยศสารเสริญสุขว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองแต่พอมีปัญญาก็จะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ยึงไม่มีความยินดีใจจะไม่มีความยินดีกับโลกธรรมทั้งแดลาบยศสารเสริญสุข และการเสื่อมราบยศสารเสริญสุดนี้นี่คือใจของผู้ที่ปฏิบัติที่หลุดพ้นแล้วจะเป็นแบบนี้จะไม่มีความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เมื่อยังอยู่ต้องอยู่ในโลกนี้ก็ต้องทำหน้าที่ไปหน้าที่หลักของผู้ที่บรรลุธรรมนี้ก็คือการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลา45ปีในการเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลกให้ได้มีธรรมะให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ mm hmm. พุทธกิจของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อ mm hmm. เป็นภารกิจประจำวันที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำอยู่ทุกวันในห้าข้อนี้มีอยู่สี่ข้อที่ท่านทำเพื่อเผยแผ่ธรรมะ ขาอที่ห้านี้ท่านทําเพื่อเลี้ยงดูร่างกายของท่านก็คือการบินธบัยในยามเช้าก็ทรงออกบินธบาตแล้วพอในยามบ่ายก็สั่งสอนธรรมะให้กับศรัทธาญาติโยมในยามค่ําก็สั่งสอนธรรมะให้กับนักบวชคือภิกษุภิกษุณีสัมมาเนสมสัมมาเนรีและในยามดึกก็สั่งสอนให้กับพวกเทวดา ถรานยามเช้ามืดก่อนที่จะออกทรงบินจบาทก็เลยงยานดูว่าวันนั้นจะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษมีจิตใจของผู้ใดที่พร้อมที่จะรับทำอันประเสริฐได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็จะสรงไปโปรดบุคคล น, นั้นทันทีในวันนั้นนี่คือพุทธกิจของพระพุทธเจ้ามีห้าข้อด้วยกันแต่สี่ข้อนี้มีเพื่อโปรดสัตว์ ตั้งห้าข้อก็เรียกว่าโปรดสัตว์ก็ได้ว่าการบินธบัตก็เป็นการโปรดสัตว์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้ทาบุญได้มีโอกาสได้ทาบุญได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้านี้ถือว่าได้ทาบุญอย่างยิ่งใหญ่ได้สนับสนุนให้พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นี้ถือว่าเป็นการทาคุญทาประโยชน์ให้กับตนเองและให้กับโลกเพราะการมีพระพุทธเจ้านี้เปรียบเหมือนกับมีแสง เหมือนกับมีดวงอาทิตย์นั่นเอง<ม>โลกเราทุกคนนี้รู้คุ ณ, ค, ณค่าคุณประโยชน์ของพระอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไรถ้าวันใดถ้าเกิดพระอาทิตย์ไม่โผล่ขึ้นมานี้พวกเราจะเดือดร้อนกันทันทีชั<ม>นใดโลกที่ไม่มีแสงสว่างของธรรมะคือพระพุทธเจ้ามาปรากฏนี้ก็เป็นเหมือนโลกที่ไม่มีดวงอาทิตย์คิดดูสิถ้าโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์เราจะอยู่กันอย่างไรจะมีแต่ความมืดตลอดยี่บสี่ชั่วโมง แล้วนอกจากความมืดแล้วก็จะมีแต่ความหนาวเย็นถ้าไม่มีแสงสว่างไม่มีความร้อนของดวงอาทิต์นี้พวกเราจะอยู่กันไม่ได้เพราะมันจะเป็นเหมือนอยู่ในขั้วโลกเหนือมีแต่หิมะมีแต่ความหนาวเย็นถ้ามีแต่ความหนาวเย็นนี่การจะปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ได้ร่างกายของคนนี้ก็อยู่ไม่ได้ต้องตายกันหมดนั่นล่ะคือความสาคัญของดวงอาทิตย์ที่มีกับ ประชากรของโลกนี้ทุกคนทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ถ้าขาดพระอาทิตย์วันใดแล้ววันนั้นก็ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดของชีวิตทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ฉันใดพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ทางด้านจิตใจถ้าขาดขาดแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มืดบอดโลกที่เต็มไปด้วยโมหะอวิชชาความมืดบอดไม่รู้จักเรื่องของผิด ผิดถูกดีชั่วไม่รู้จากเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่รู้จากเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องของอริยสัจสี่ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์และอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีความรู้เหล่านี้อยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็จะตกอยู่ในโลกที่มีแต่ความทุกข์ทุกข์ด้วยความหนุแทนที่จะไป ดับความทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นเช่นการไปหาราบยศเสรเสริญสุขนี้แหละเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปดับทุกข์ผู้ที่ไปแสวงหาราบยศเสรเสริญสนุกอยู่นี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมะคาสอนอยู่ในใจนั fast, ่นเองผู้ที่มีคําสอนอยู่ในใจนี้จะรู้ว่าราบยศเสรรเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นของที่เราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้สั่งให้มีเงินให้รวยไปตลอดไม่ได้สั่งให้เป็นใหญ่เป็นโตไปตลอดไม่ได้วันดีคืนดีเมื่อถึงเวลามันก็ทําให้เรายากจนลงได้มันก็จะทําให้เราสิ้นอานาจลงได้เพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยมมีเจริญได้ก็ต้องมีเสื่อมได้อนาตตา ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ไปสั่งให้มันเจริญไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้มันเจริญทำให้มันเสื่อมอันนี้คนที่มีคาสอนของพระเจ้านี้จะเข้าใจและจะไม่กล้าไปหาลาบยศสารสนุสุขมาเป็นเครื่องดับทุกข์ใจเพราะมันไม่ได้เป็นการดับทุกข์ใจแต่มันจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นไปนั่นเอง แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้<ๆ>ก็จะหลงกับการไปหาราบยศสรรเสริญสุขมาดับความทุกข์เพราะคิดว่าถ้ารวยแล้วความทุกข์จะไม่มีพราะคิดว่าถ้าใหญ่โตแล้วความทุกข์จะไม่มีถ้าได้รับรางวัลแล้วจะมีแต่ความสุขถ้าได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่ม้วจะมีแต่ความสุข แต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเพียงด้านเดียวมันมีสองด้านเวลาที่มันไม่ได้เวลาที่มันเสียความสุขก็มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปอันนี้แต่ถ้ามาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจจะรู้ว่าการไปหาราบยศรเสริญสุขนี้เป็นการไปหาความทุกข์จึงไม่จึงไม่ไปหากันเรามาหาความ สุขจากการดับทุกข์ดีกว่าความสุขจากการดับทุกข์ก็เกิดจากการทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองตามตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้าอยากจะมีความสุขให้ทําบุญทําทานให้มากๆทําบุญทําทานทําคุณประโยชน์ต่างๆบุญนี้มีหลายลักษณะด้วยกันบุญที่เกิดจากการให้เราก็เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการทําประโยชน์ให้แก่สังคมอันนี้ก็เป็นบุญ เช่นรับใช้สังคมเป็นจิตอาสาบุญที่เกิดจากการตอบแทนบุญคุณและผู้มีพระคุณอันนี้ก็เป็นบุญเป็นทานเป็นการกระทำทานทำทานนี้ก็ทำได้ด้วยหลายอย่างด้วยกันถ้าเรามีข้าวของเงินทองเหรือเฟือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเก็บเอาไว้เราก็เอาไปทำบุญทำทานแล้วเราก็จะมีความสุข ถ้าเราไม่มีเงินทองทําบุญทําทานเรามีเวลาเรามีเวลาที่เราจะสามารถไปทําคุณประโยชน์ด้วยร่างกายของเราเช่นไปรับใช้สังคมไปทํางานเป็นอาสาสมัครกับองค์กรส า, สาธารณกุศลต่างๆอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจได้เหมือนกันเป็นการทําบุญเหมือนกันหรือว่าเราจะทําอะไรที่ ที่เรามีล เ, เราสามารถทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เช่นเรามีความรู้เรามีวิชาความรู้รู้จักวิธีเย็บปักถักร้อยรู้จักวิธีเย็บผ้ารู้จักวิธีทำกับข้าวหรือวิธีทำเผาทำผมแต่งหน้าแล้วถ้าเราเอาความรู้นี้ไปสอนผู้อื่นโดยที่ไม่เก็บตังค์เขาไม่คิดผลตอบแทนอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญเป็นการให้ทาน เรียกว่าวิทยาทานได้เหมือนกันหรือถ้าเรามีธรรมะเรารู้ธรรมะข้อใดที่สามารถที่จะไปทำให้ดับความทุกข์ได้เวลาใครมีความทุกข์แล้วเข้ามาขอปรึกษาเราให้ธรรมะให้คำปรึกษาเข้าไปให้ธรรมะที่จะใช้ดับความทุกข์ใจของเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำทานเหมือนกันเรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะนี่เรียกว่าเป็นธรรมทาน การให้ความรู้นี้เรียกว่าวิทยาทานการให้เข้าของเงินทองต่างๆนี้เรียกว่าวัตถุทานอันนี้เป็นการทําทานที่จะทำให้ผู้ให้มีความสุขผู้รับก็มีความสุขไม่มีโทษทั้งผู้ให้และผู้รับแต่อย่างใดยังเรียกว่าเป็นการทําบุญนี่คือวิธีที่จะหาความสุขที่ถูกต้องให้หาวิธีแบบนี้ให้หาวิธีด้วยการทําทานทําคุณทําประโยชน์ ด้วยวิธีการต่างๆอย่าไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปร้องนาทําเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาเสพแล้วมันจะติดเวลาที่มันขาดมันไม่ได้เสพมันจะทุกข์นีแต่การไปทําคุณทําประโยชน์ทําบุญทําทานนี้ไม่เป็นยาเสพติด เวลาที่ไม่ได้ทําจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความรู้สึกหกรดเกิียําคาญใจดังนั้นต้องรู้จักวิธีหาความสุขให้ถูกต้องด้วยการทําทานอย่าไปหาความสุขจากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐัพพชนิดต่างๆเพราะว่ามันเป็นการไปเสบยาเสพติดดีๆนี่เองเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเสบติดเป็นอย่างไรทําไมคนถึงเสบกันเพราะเขา คิดว่าให้ความสุขกับเขานั่นเองเวลาเสพใหม่ๆนี้มันจะมีความสุขแต่เสพแล้วมันจะติดมันต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะไม่มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพพอไม่มีเงินแล้วทีนี้มันก็จะบ้าคลั่งขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นปัญหาของสังคมขึ้นมาไปทำร้ายผู้อื่นแล้วในที่สุดก็ต้องถูกไปจับไปลงโทษ อย่างนี้เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันนั้นอย่าไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณเพราะมันเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดนั่นเองไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่สามารถเสพได้เงินหมดเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มไม่ได้พอเงินหมดแต่ความอยากมันยังมีอยู่อยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยู่มันก็จะทาให้เราต้องไปทาบาปบางคนนี้ไปเล่นการพนัน แล้วก็ติดการพนันต้องใช้หนี้พนัน mm hmm. ก็เลยไปป้น mm hmm. ไปจี้ร้านทองต่างๆเนี่ยดูข่าวๆเลยพวกที่ไปจี้ป้นร้านทองนี้พอถูกจับได้ถามว่าทําทําไมเพราะว่าไม่มีเงินใช้หนี้ติดการพนันหรือติดยาเสพติดติดเที่ยวติดเล่นอะไรต่างๆเหล่ า, านี้ mm hmm. นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องเพราะเป็นการที่จะหาความทุกข์ให้กับตนเอง วิธีหาความสุขก็คือจากการทาความดีถ้ามีข้าวของเงินทองก็เอาไปแบ่งปันให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีเงินทองมีความรู้ก็ไปเป็นครูสอนวิชาชีพต่างๆสามวิชาวิชาทำกับข้าวิชาเย็บปักถักร้อยวิชาอะไรต่างๆโดยไม่คิดเงินทองทำแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจที่เห็นคนที่เข้ามาเรียนแล้วเขาได้รับคุณได้รับประโยชน์ หรือถ้ามีธรรมะสามารถแสดงธรรมสั่งสอนธรรมให้แก่ผู้อื่นได้ก็แสดงธรรมไปก็ได้ผู้อื่นที่เขาสนใจอยากจะศึกษาธรรมอยากจะเรียนรู้วิธีนั่งสมาธิว่ารมอย่างไรอยากจะเรียนรู้ว่าการจะเจริญปัญญาเจริญอย่างไรถ้าเรารู้เราสามารถเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้เราก็จะมีความสุขทุกครั้งที่เราแสดงธรรมนี้เราจะมีความสุขใจอิ่มใจ มีความภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือคนที่เขามืดบอดในทางธรรมะให้เขามีแสงสว่างนําพาชีวิตของเขาให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆอันนี้ก็คือวิธีของการหาความสุขทางด้านของพระพุทธศาสนาและเป็นการกําจัดหรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นด้วยถ้าทํา ทำบุญแล้วรับประกันได้ว่ามันจะไม่ต้องไปทําบาศจะไม่ต้องไปป้นจี้ธนาคารหรือไปจี้ร้านทองเพราะว่าใจมันจะไม่มีความหิวโหยที่อยากจะมีเงินมีทองเพื่อที่จะเอามาใช้กับการหาความสุขเพราะการหาความสุขทางศาสนานี้ถ้าไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้ใช้การ การทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะหาความสุขจากการปฏิบัติขั้นที่สองได้ก็คือจากการรักษาศีลก็ได้การรักษาศีล น, นี้ก็จะได้คุณประโยชน์สองสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบหนึ่งก็คือป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปแล้วโทษก็จะไม่มีเมื่อไม่มีโทษทุกข์มันก็จะไม่มีตามมา เนือว่าการที่เราไม่ได้ทำบาปนี้มันก็จะเป็นการทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขด้วยเพราะเวลาเราไม่มีโทษไม่มีทุกข์เราก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุข อ, นนอันนี้ก็เป็นวิธีการหาความสุขตามรูปแบบและเป็นวิธีกำจัดความทุกข์ทานก็เป็นการกำจัดความทุกข์ป้องกันความทุกข์ถ้าเราเอาเงินนทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราต้องเจอกับความทุกข์เวลาเงินหมด แต่ถ้าเราทำบุญทำทานเวลาเงินหมดนี่เราจะไม่ทุกข์ถ้าทำบุญไม่ได้ทำอย่างอื่นก็ได้เป็นจิตอาสาไปก็ได้เป็นอาสาสมัครทำคุณทำประโยชน์อย่างอื่นก็ได้เรายังสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอันนี้เป็นการกำจัดความทุกข์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็รักษาศีลเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดความทุกข์จากการทาบา ถ้าเราไปฆ่าไปตัดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็อาจจะถูกจับไปลงโทษได้ติดคุกติดตารางหรืออาจจะถึงกับขั้นประหารชีวิตก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทําบาปแล้วทุกเหล่านี้ก็จะไม่เกิดจิตใจเราก็จะมีความสุขแล้วนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีการปฏิบัติข้อที่สก็คือการภาวนาเพราะว่ายังมีความทุกข์ที่การทาบุญทาทานการรักษาศีลนี้ไม่สามารถกาจัดได้ คือความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจอยู่ที่จะยังไม่หมดสิ้นไปจากการทำบุญทาทานจากการรักษาศี่งเราก็ต้องใช้วิธีที่สามคือการภาวนาการภาวนานี้ก็เป็นการชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวคอยมากระตุน้นสร้างความทุกข์ความอยากความทุกข์ต่างๆให้กับใจนั่นเองเราก็ต้องใช้วิธีภาวนา ซึ่งมีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนี้เรียกว่าสมถะภาวนาคือทําใจให้สงบนิ่งพอเวลาใจสงบนิ่งนี้ความโลภความโกรธความหลงนี้จะทํางานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องอาศัยเวลาที่ใจคิดปรุงแต่งถ้าใจไม่คิดถ้าใจหยุดนิ่งถ้าไม่มีความคิดแล้วความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อความโลภความโกรธความหลง เกิดขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบความทุกข์ก็เลยไม่มีในตอนนั้นเวลาใจสงบนี้ใจจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แต่มันความสุขชั่วคราวเป็นการดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวเพราะเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องออกจากสมาธิมา พอเราออกจากสมาธิมาใจเราก็จะเริ่มคิดปุงแต่งพอเริ่มคิดปุงแต่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะตามมาทันทีพอพอเกิดความโลภใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเกิดความโกรธใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเราต้องใช้วิธีที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต้องเอาวิปัสสนาหรือปัญญานี่มาสอนใจปัญญาที่เราจะมาใช้สอนใจเพื่อให้รับความโลภความ ความโกรธความหลงก็คือตายรักนี่เองเวลาเราโลภอยากได้อะไรท่านก็บอกให้เรามองให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภนี่มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวต้องดับไปเวลามันดับไปนี่มันจะทำให้เราทุกข์เวลาเราได้มาเราจะดีใจแต่พอเวลาเราสูญเสียไปมันจะทำให้เราทุกข์ใจและมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาช่วยที่ทุกข์เพราะอยากให้มันเป็นเป็นของเราไปตลอดอยากอยู่กับเราให้ความสุขกับเราตลอดเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากได้ขึ้นมาระงับความโลภได้เมื่อเราไม่มีความโลภความโกรธก็จะไม่มีเพราะความโกรธนี่มันตามมาจากความโลภเวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้นี่เราจะโกรธ เวลาขอร้องให้ใครก็ช่วยทําอะไรให้เราหน่อยนีย่พอเขาไม่ทําให้เราเราจะโกรธเขาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความต้องการที่จะได้อะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่มีความโกรธ mm hmm. ความหลงก็เกิดจากการที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองพอไม่ ม, มีพอไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาแต่พอมีปัญญาสอนใจให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความโลภก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ เมื่อความโลภเกิดไม่ได้ความโกรธก็เกิดไม่ได้ความหลงก็ถูกอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาระั่งับไวเมื่อมีอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในใจตลอดเวลาความโลภความโกรธความหลงก็ทำงานไม่ได้ดัง แ, แล้วก็จะหายไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิทุกครั้งที่โลภอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมา ท, ทันทีแต่กระทั่งมันไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไป เมื่อไม่มีความอยากแล้วแม้กอใจก็จะไม่มีความทุกข์หนงเหลืออยู่ในใจใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นใจที่เราเรียกว่านิพพานขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการกําจัดความทุกข์โดยต้องกําจัดด้วยวิปัสนาภาวนาแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นวิปัสนาได้เราต้องมีขั้นสมถะเป็นผู้สนับสนุนก่อนถ้ายังไม่มีสมถะนี้ไปวิปัสนานี้จะกลายเป็นวิปัสนึกไป จะเป็นการเพียงแต่คิดปรุงแต่งแต่ไม่สามารถที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้เพราะขาดอุเบกขาใจที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่มีอุเบกขาไม่มีกำลังที่จะหยุดความโลภความโกรธตามคำสั่งของปัญญาได้ดังนั้นก่อนที่เราจะไปขั้นวิปัสสนาเราต้องใบที่ขั้นเราต้องผ่านขั้นสมถภาวนาไปให้ได้ก่อนได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วถึงค่อยไปทางขั้นปัญญา และก่อนที่เราจะได้สมสถภาวนาเราก็ต้องสามารถรักษาศีลได้ต้องรักษาศีลแปดให้ได้ถ้าไม่รักษาศีลแปดเราก็ยังจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นอะไรอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิกัน<ม>ก็ต้องมีต้องผ่านขั้นนี้ก่อนขั้นศีลก่อนและก่อนที่เราจะผ่านมาถึงขั้นศีลนี้ได้เราก็จะต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการเรื่องการใช้เงินหาเงิน พราะถ้าเรายัางติดกับการใช้เงินเที่ยวกินดื่มอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศินแปดกันยังนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงตรัสโลและนํามาเผยษาะ ส, ะสั่งสอนให้กับพวกเราถ้าอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ให้ทําทานแล้วก็รักษาศินแล้วก็ไปภาวนาถ้าเราทําเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราก็จะทําทได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้าไม่มีวันเสื่อมถอย และจะถึงจุดสุดยอดได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีไว้เพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของสว์โลกให้หมดสิ้นไปผู้ใดได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะราโสยะามะนีโชติราโสยะาสะพีติโยวิวัชจันโตสะพารโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิศานิจจังวุธาปจายโน จตารอธรรวัฏานติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหรือใครอยากจะรายงานอะไรให้ทราบก็ต้องทำในช่วงนี้เพราะเวลาเลิกแล้วมันจะไม่สะดวก เดีย๋ยวจะต้องมีการทําอะไรอย่างอื่นต่ออีกช่วงหนึ่งฉั้นถ้าอยากจะพูดจะคุยก็เอาในช่วงนี้ถ้าอยากจะเข้ามาคุยก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดหรือถ้าจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง youtube ได้เหมือนกันวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ395้า YouTube พระสุชาติ LIFE 254 YouTube Dr. V Channel 103วิทยุออนไลน์13คลับห้า17หน้ากุติ212รวม994ค่ ะ, ะถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้ใครอยากจะถามก็เข้ามาก็ามามีไมโครโฟนมาหยิบไมโครโฟนไป กรนมัสการพระอาจารย์ครับพูดดังๆหน่อ ย, ยกราบนมัสการพระอาจารย์ครับช่วงหลังนี้ช่วงที่ทําสมถะสมถ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะภาวนาแล้วมันมีอาการน้ําลายไหล ย, ยืดนะครับจะขอก็ไปไม่ไหลไปไม่ต้องไปกำจุดเดี๋ยวล้างปากล้างหน้าได้ถ้าไปยุ่งกับเรื่องน้ําลายมันก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่ไหล พอเราไปยิ่งนึกถึงมันมันก็ยิ่งหลายใหญ่ปหไปมันไหลไปอาจจะหลายบ้างแต่าากไไ็ไม่เป็นไรมันนอนหลับเวลเรานอนหลับมันก็หลายบ้า ง, งก็ปล่อยมันหลายไปไม่ใช่เป็นถ้าเราให้ความสําคัญการทําสติสมาธิของเราจะขาดจะทําไม่ได้ผลงั้นต้องลืมเวลาเรานั่งนี้ไม่ให้ไปกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายน้ําลายจะไหลมันจะคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจ ให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้าดูลมก็ดูลมไปอะไรจะมาโผล่ขึ้นมาให้รับรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจ mm hmm. อันนี้มันเป็นเป็นเป็นเนหมือนมารมารที่จะขวางการเข้าสมาธิของเรา mm hmm. งั้นอย่าไปสนใจปล่อยเข้ามาปล่อยเข้าไปตามเรื่องของเขาไม่ต้องไปให้ความสำคัญขอให้เราอยู่กับวอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็จะสงบขาบสาธุครับอาจารย์ครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับสอบถามเวลานั่งสมาธิภาวนาครับผมคือเวลานั่งสมาธิภาวนาเมื่ออยู่กับพุทโธแล้วเวลาเจอตัวรู้แล้วนะครับเราควรอยู่กับตัวรู้ต่อหรือว่าคยู่กพุทโธไปอยู่กับพุทโธไปเป็นกลางมันจะตกหลมถูกบ่อแล้วนิ่งสงบแล้วก็ตอนนั้งจะเป็นตัวรู้จริงครับผมถ้ายังพุทโธได้ก็พุทโธต่อไปอย่าเพิ่งหยุดพุทโธครับผมถ้าอยู่แล้เดี๋ยวมันก็จะไปไม่ถึงครับถ้าพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะ เวลามันจะรวมมันเหมือนกับตกมาจากที่สูง<ม>ปุ๊บลงไปแล้วก็เน่งทีนี้ก็ไม่ต้องทำไรแล้วให้รู้เฉยเฉยไป ถ, ถ้ายังไม่ถึงจุดนั <ขอ S 2> ้นก็พูดโทรต่อไปสาธุขอบคุณครับคำถามจากคุณเ h e m ม l t ติ e วอร์ Unity พระพุทธเจ้าวริยาธิกะ กำเนิดในยุคที่โลกมนุษย์มีเฉพาะผู้ที่นับถือท่านเท่านั้นเป็นเพราะเหตุใดครับและด้วยเหตุนั้นจะทำให้มีผู้รู้ธรรมต่อไปในอนาคตต่อจากท่านมากหรือน้อยลงหรือไม่ครับอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามท่านดูคํคำถามจากคุณวิสา์ ผมฟังพระเทศนาทุกคืนก่อนนอนและเวลาผมหลับไปผมยังได้ยินเสียงพระท่านเทศจนผมตื่นครับแต่ในความฝันผมก็รู้ว่านี่คือเสียงหลวงพ่อท่านเทศอย่างนี้ปกติไหมครับก็ปกติสําหรับคุณมันก็เป็นเรื่องธรรมดานอนหลับมันก็ฝันดีฝันร้ายฝันอะไรร้อยแปดพันตะกันได้แล้วแต่ใจเราจะไปผูกพันอยู่กับเรื่องไหนมันก็ฝันถึงเรื่องนั้นได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ก็ถือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็แล้วกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปให้มันไม่มามันก็อาจจะทําให้เราทุกข์ได้เห็นมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองคําถามจากคุณกล้าวค่ะผมชอบสมาธิมากแต่เมื่อมาเจอลูกโลภโทสะ จะพยายามพุทโธถี่ขึ้นอยากให้มันเย็นต้องพิจารณาสิ่งใดก่อรับก็ขั้นสมาธิก็ใช้พุทโธนี่แหละเวลาเกิดความโลภก็ให้พุทโธพุทโธไปจนกว่าความโลภมันจะหยุดไปไม่ต้องพิจารณาอะไรเอาใช้สติก่อนค่ะคำถามจากคุณเหล็กค่ะ การปฏิบัตินั้นไม่ใช่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอย่างเดียวแต่ต้องออกไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบต้องออกไปปะทะออกไปในสิ่งที่ใจไม่ชอบฝืนตัวเองตลอดเวลาต้องไปเจอผู้คนและคอยดูอารมณ์ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นให้ดูอรมตลอดแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะลูกรู้สึกว่าเจอคนเยอะๆแล้วลูกจะรับไม่ไหวรับกับคําคนไม่ไหวแต่ก็าพยายามฝึกดูอารมณ์ให้รู้ตลอดตอนนี้ลูกกินข้าววันละหนที่เหลือกินแต่น้ําเปล่า หากรู้จะนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แต่ในป่าที่สงบอันไหนดีกว่ากันเจ้าคะเออการปฏิบัตินั้นมีอยู่สองขั้นตอนขั้นที่1เรียกเป็นการทำการบ้านก่อนแล้วขั้นที่2เรียกไปการทำข้อสอบเื้องต้นเราต้องไปหาที่สงบไปทำการบ้านไปสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อเราคิดว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาพอล้วก็ลองไปทาข้อสอบ เอาไปรับกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปรับกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วดูซิว่าเราจะทําใจให้นิ่งให้สงบได้หรือไม่ถ้าเราทําใจให้นิ่งเฉยได้ก็แสดงว่าเราสอบผ่านถ้าเรายัางสอบตกไปแล้วใจยังวุ่นวายก็กลับไปทําการบ้านใหม่ต่อคําถามเกี่ยวเนื่องกันค่ะคุณ อดิศักดิ์ชาตินี้ตั้งใจแค่สำเร็จโสดาบันได้ไหมครับและคุณแดงถามว่าโสดาบันสำเร็จได้แบบไหนคะก็ด้วยการมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาต้องเจริญศีลก่อนรักษาศีลแปดแล้วก็ไปเปลีกวิเวกนั่งสมาธิให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ฌานก่อน แล้วหลังจากนั้นออกจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยวางมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับมันถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับมันเราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เแค่นั้นเองคําถามจากคุณวรังการจับสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์เพื่อนํามาขาย ให้คนนําไปปล่อยเป็นบุญหรือบาปและจะได้ผลรับผลอย่างไรกับคนนามาขายและคนปล่อยสัตว์เจ้าคะคือทำอาชีพที่เกี่ยวข้อง ก, กับชีวิตนี้ทางศาสนาห้ามไม่ให้ทำเพราะามันเป็นวิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสัมมาชีพเพราะมันไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่สิ่งที่มีชีวิตถ้าเราคิดถึงตัวเราว่าเราเป็นสัตว์แล้วก็เราเอาข้มาเลี้ยงเราแล้วเพื่อเอาไปขาย เอาไปถายเอาไปค่าเราจะรู้สึกยังไงอย่างนั้นก็เหมือนกันเวลาจะทำอะไรให้คิดกลับมาที่ตัวเราถ้าเราเป็นเขาเราทาเราจะให้เขาทำกับเราได้ไหมถ้าเราไม่อยากให้เขาทำกับเราเราก็อย่าไปทำกับเขาคำถามจากคุณมีปลอง <c oughs> การทำส ม, มถะให้ได้ก่อนไปภาวนาคือทำแบบใดเจ้าคะก็ต้องไปอยู่วัดที่สงบที่เงียบไม่มีการทำกิจกรรมอย่างอื่น มีแต่การเดินจมคมนั่งสมาธิแล้วก็นั่งให้บ่อยๆนั่งให้มากๆจะเลินสติเวลาที่ไม่ได้นั่งจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือการไปทำสมถะภาวนาคำถามจากคุณหนึ่งผมเน้นพิจารณอาอสุภะปฏิลแต่จิตกลับคายตัวมานะลงไป มีความรู้ว่ามานะลดแล้วใจผมใายลงไปจริงๆสรุปคือเป้าหมายของผมคือพิจารณาอสุภะไม่ได้ตั้งใจเพื่อลดมานะแต่ทำไมใจผมปรากฏแบบที่กล่าวข้างต้นครับมันก็เป็นผลพลอยได้ผลหลักที่เราต้องการก็คือรักความสวยงามของร่างกายเราเห็นว่าร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครมันไม่สวยงามมันมีส่วนที่เรามองไม่เห็นอยู่ภายใต้ผิวหนัง ถ้าเรามองทะลุผิวหนังได้นี่เราจะเห็นพวกอวัยวะต่างๆเห็นโครงกระดูกเรามองตัวเราพอเห็นโครงกระดูกของเราเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเท่เราหล่อ เ, เราสวยพอมองเห็นโครงกระดูกว่าเฮ้เราก็คงไม่สวยเท่าไหร่ น, นนะไม่หล่อเท่าไหร่นะมันก็เป็นการละามานะลงไปในตัวด้วย คำถามจากคุณสุพ์กราบขออโหสิกรรมครับจิตคิดอกุศลเกิดขึ้นบ่อยจะเป็นบาปไหมครับและจะแก้อย่างไรครับถ้ายังไม่ไปทำหรือไปพูดยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นเพียงแต่บาปทางใจซึ่งยังไม่มีผลที่จะเป็นวิ บ, บากตามมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนไฟที่เริ่มลุกถ้าเราไม่รีบดับมันมันอาจจะขยายตัวออกไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอกุศลขึ้นมา ในใจก็ต้องรีบใช้พุโทโธรับนับเัยใช้คําบริกรรมหรือใช้บทอินทรปิโสสวดไปเพื่อไม่ให้มันคิดต่อรับไว้มันคิดเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะบานปลายคิดมากๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะอดที่จะไปพูดไปทําไม่ได้พอได้พูดได้ทำแล้วที่นี้มันก็จะกลายเป็นบาปไปได้คําถามจากคุณนาตยาอยากจะบอกคนใกล้ตัวให้ปฏิบททัติธรรมฟังธรรมฝึกธรรมบ้างจะบอกอย่างไรดีคะ ก็ช่วยเขาสิเวลาเรานั่งฟังตามที่ฟังทำไหมท่านั้นแหะทําได้เท่านั้นถ้าเขาไม่เอาเขาจะไปดูหนังก็ช่วยไม่ได้อย่างเมื่อกี้นี้แม่ลูกมาสองคนลูกมานั่งฟังทำแม่ไม่นั่งดูหนังในรถแม่บอกว่าคนเยอะไม่อยากจะมานั่งเดินในรถสงบกว่าอ่าวก็ว่าไปจะทํายังไงเขาชอบอย่างนั้นน่ะคำถามจากคุณเรือลําหนึ่ง กระผมนั่งดูลมพุโทโธวางจิตที่สะดือไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยได้เกินชั่วโมงเลยครับยังไม่ถึงอุเบกขาสักทีอย่างนี้จะเข้าวิปัสสนายังไม่ได้หรือควรปฏิบัติเช่นไรครับต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ต้องเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธพุทโธไปอาบน้ำน้างหน้าแปรงฟันกบพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย จนกว่าเราจะต้องใช้ความคิดกับเรื่องการทํางานล้วก็ค่อยหยุดพุโทโธไปแต่ถ้าทำอย่างนี้เวลานั่งสมาธิมันจะนั่งได้นานขึ้นจะสงบได้เร็วขึ้นคุณจิรอถามว่ากระผมนั่งทำสมาธิแล้วชอบรับต้องแก้ไขยอย่างไรครับเพราะว่ามันกินมากเกินไปมันก็ทำให้นุ่งนอนได้ง่ายวิธีแก้ก็มีสองวิธีลดการกินลงให้น้อยลงสองไปนั่งในที่น่ากลัวเช่นไปนั่งในป่าช้าอย่างนี้ ฟวามกลัวมันจะทำให้เราตื่นมันจะทำให้เราไม่ง่วงคำถามจากคุณกุณลาบการปฏิบัติแบบไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปของผู้ที่สนใจในธรรมควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็าทาตามกำลังของเราเนี่ยเราอย่าไปดูคนอื่นเขานั่งได้สามชั่วโมงเราจะไปนั่งสามชั่วโมงไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีกำลังเรานั่งได้แค่หนึ่งชั่วโมงเราก็นั่งไปชั่วโมงก่อนแล้วพยายามเพิ่มขึ้นไปทีละขั้นไป จากหนึ่งชั่วโมงก็เพิ่อมอีก15นาทีเพิ่อมอีกยี่นาทีไปค่อยๆขยับไปตามกำลังของเราแต่การที่เราจะเจริญได้ก็ต้องอยู่ที่กำลังของสติของเราเราต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นให้มันต่อเนื่องแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้นานขึ้นคำถามจากคุณพันธทิพย์เวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการไอก็สามารถไอออกมาได้เลยใช่ไหมเจ้าคะ ถ้ามันจําเป็นมันสุดวิสัยก็ต้องปล่อยมันไหลไปแต่ถ้ามันห้ามได้ก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปเหมือนกับน้ำลายปล่อยมันไหลไปแต่ถ้ามันจะไอเราห้ามมันไม่ได้ก็มันเป็นอนัตตาก็ต้องปล่อยมันไหลไปคําถามจากหน้ากุติค่ะ บ้านที่ปิดไว้ช่วงโควิดพอเปิดใหม่ปลวกมาอาศายัยเยอะเลยเจ้าค่ะใจไม่กล้าพอที่จะให้บริษัทกำจัดปลวกมากาจัดได้แต่เปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ปลวกหนีไปควรวางใจอย่างไรเจ้าค้าเมื่อพบปัญหาเช่นนี้ก็นิจังไงทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมบ้านไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องพังก็มองในแง่ดีก็คือจะได้บ้านใหม่ จะได้มีเหตุไปไปสร้างบ้านใหม่ได้เพราะบ้านเก่ามันมีนมปลวกมีปัญหาก็ยกให้ปลวกไปเราก็ไปซื้อบ้านใหม่อยู่ถ้ามีปัญญาจะซื้อถ้าไม่มีก็ต้องอยู่กับปลวกไปคำถามจากคุณแดงค่ะเลี้ยงแมวแล้วเราหาเห็บบนตัวแมวผิดสีหรือไม่เจ้าคะหาเห็บไม่ผิดหรอกแต่ฆ่าเห็บก็ผิด หาเห็บแล้วไปโยนทิ้งในป่าในที่ไหนแล้วให้มันอยู่ป็นตามธรรมชาตินี้ก็ไม่ผิดเหมือนจับงูงูเข้าบ้านจับงูได้แต่ข้างงูไม่ได้จับงูแล้วก็ไปปล่อยในป่า ไ, ได้คำถามจากคุณดัดี้นั่งสมาธิแต่ก็คิดถึงแม่พ่อพี่ที่เสียไปตลอดทำอย่างไรดีครับจะได้เริ่มฝึกใหม่ก็ไม่มีสติไง มอนั่งทานที่จะอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมก็ไม่นั่งคิดถึงเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้แสดงว่าไม่มีสติเลยนั่นต้องฝึกสติมากๆก่อนฝึกทั้งวันเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปคำถามจากคุณอ้อมค่ะถ้าเราทำบุญบ่อยๆตักบาทพระและอธิษฐานถึงแม่ท่านเสียไปแล้วท่านจะได้รับบุญใหม่คะก็อยู่ที่ว่าแม่ต้องการบุญหรือไม่บางทีแม่เขาทาบุญมาเยอะกว่าเราก็ได้ ท่านตายไปแล้วท่านก็ไปเป็นเทเเป็นเทวดาอย่างนั้นท่านก็ไม่มารอรับบุญแต่ถ้าท่านไม่เคยทําบุญเล ย, ยมีแต่ความโลภอยากจะได้ไม่เคยเสียดายเงินเสียดายของอย่างนี้ตายไปอาจจะไปเป็นเปรตก็ได้ถ้าอย่างนั้นท่านก็อาจจะมารอรับบุญได้คําถามจากคุณวรัง พ่อแม่หรือบุคคลอื่นยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกของตนเองหรือบุคคลอื่นทำผิดศีลจะมีผลอย่างไรเจ้าคะก็มีผลก็ทำให้ตัวเขานี่แหละเป็นคนที่จะคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าสอนคนอื่นได้ก็อาจจะสอนตัวเองได้เหมือนกันในการคิดถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่ถือว่าบาปแต่คิดแล้วไปทำนี่ก็ถือว่าบาป ให้คนอื่นไปทาก็บาปเหมือนกันเพราะเป็นการสั่งของทำเองก็ดีหรือสั่งให้ผู้อื่นก็ททำก็ดีก็เป็นบาปเช่นสั่งให้ลูกไปไปฆ่าปลามาให้หน่อยอย่างนี้ตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่ให้ลูกฆ่าแทนนี้ก็บาปทั้งคู่ทั้งคนสั่งและคนฆ่าคนทาคำถามจากเด็กน้อย พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านเกิดในยุคไหนของโลกกี่ล้านปีมาแล้วครับหรือว่าก่อนที่โลกนี้จะเกิดครับและพระศรีอริยเมตรยัยอีกนานเท่าไหร่จึงจะมาเกิดหรือต้องรอโลกนี้สลายไปก่อนครับหนูอย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้เลยกังวลว่าตอนนี้หนูทุกข์ระดับมันได้ยังไงจะดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้รู้ไปก็เท่านั้นเองเหมือนมีนิทานในสมัยพุทธกาลมีคนมีชายคนหนึ่งถูกธนู อยู่เขาิงด้วยธนูแล้วก็มีหมอมจะมาถอนธนูออกให้ชายคนนั้นบอกอย่าเพิ่งถอนช่วยไปสอบประวัติคนที่ยิงธนูว่าเป็นใครเป็นหญิงเป็นชายมีชื่ออะไรครอบครัวอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนก่อนแล้วค่อยมาถอนถ้าไปหาข้านอมูลอนั้นก็ตายซะก่อนนะงั้นอย่าไปกังวลการเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องรู้ให้รู้ในเรื่องที่จําเป็นให้รู้ว่าทุกขของเราเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ใช้วิธีไหนดับมันเท่านั้นนะ่ยให้รู้แค่นี้ก็พอ พอหายทุกข์แล้วก็ไม่สนใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะมีกี่พระองค์จะมาเกิดอีกกี่พระองค์มันไม่มันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะมันไม่ปัญหาของเราคือความทุกข์ถ้าเราตัดความทุกข์หมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลอีกต่อไปหมดแล้วเหรอโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ